มีกระสุนประจำปืนอยู่30นัดก็เหลือหลายแล้วละ่ะเพราะเรามาคิดกันดูปืนของเราเกินจำนวนคนไปกระบอกหนึ่งเราจะเลือกทิ้งกระบอกไหนระหว่างปืนที่ดีที่สุดอย่างเวเธอร์บีกระบอกนี้กับลูกปืนซองซาวเวดของสังป่าซึ่งนกต้องใช้หนังสเต๊กรัดไว้ทุกคนจำนวนต่อเหตุผลของเขาถูกของคุณกระพินเราควรต้องเอาปืนกระบอกนี้ไปด้วยว่าแต่ไม่จะรังเกียจหรือเปล่าละ่ะ ในการที่เราจะมอบให้แงาซายถือปืนของสามีเนี่ยมีอะไรที่ฉันจะต้องรังเกียจเล่ามาเรียร้องออกมาโดยเร็วฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันกับสั่งปาไม่ต้องการมันเมื่อคุณทุกคนลงความเห็นว่ามันมีประโยชน์สําหรับเราและจัดหาคนที่เหมาะสมเพื่อจะได้ใช้มันฉันก็ยินดีที่สุดดีซะอีกฉันอยากจะมองเห็นปืนกระบอกนี้ไปนานเท่านานเพื่อเตือนระลึกถึงสามีผู้ล่วงลับของฉัน ที่ปฏิเสธในการที่จะเอาไปด้วยตนเองนั้นก็เพราะไม่มีปัญญาจะแบกเท่านั้นแหละถ้าเช่นนั้นก็หมดปัญหาไปส่วนปืนสั้นของสามีคุณนั่นคุณก็ควรจะติดประจำตัวไว้คุณใช้ปืนสั้นได้ดีไม่ใช่หรอทำไมถึงมีแต่ปืนสั้นของฮอฟมันและของคุณเองไม่มีละ่ะฉันใช้ปืนสั้นไม่ชำนานนักหรอกคะ่ะท่านพูดและเห็นว่ามันเป็นของหนักเอวเกะ ก, กะที่สุดสู้มีดสักเล่มก็ยังไม่ได้ พ่อฉันเคยสอนฉันไว้ว่าถ้าเรายังไม่สามารถจะไว้วางใจในไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือขณะที่ออกป่าก็อย่าได้ไว้วางใจในปืนชนิดใดอีกเลยทั้งสิ้นปืนสั้นนะมันใช้สำหรับคนด้วยกันเท่านั้นไม่ใช่กระสัป่าเช่นนั้นคุณก็ถือหลักเช่นเดียวกับพรานใหญ่ระพินของเราสิชายยันว่ามองดูแมมสาวอย่างเลื่อมใสมันเป็นความจริงที่ว่าพรานผู้เชี่ยวชาญทุกคน จะมองไม่เห็นประโยชน์อะไรจากปืนสั้นเลยจนนิดเดียวในขณะที่เขาเดินป่ายกเว้นแต่พวกพรานสมัครเล่นหรือนักเดินป่าจําเป็นเท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่ประมาทจนเกินไปนักก็น่าจะคิดบ้างว่าบางขณะมันก็ให้ประโยชน์ได้เหมือนกันในกรณีที่ไรเฟิลบังเอิญพลัดหลุดจากมือไปขนาดรพินไพร์วันเองก็ยังเคยรอดชีวิตจากสัตว์ป่ามาแล้วด้วยปืนสั้นแม้ว่ามันไม่ใช่ปืนสั้นที่เขาพกติดตัวอยู่ ครั้งหนึ่งเราเคยถูกบัวแดงลำบากชาร์ดเข้าใส่ไรเฟิลหลุดจากมือกันไปหมดเพราะวิ่งหนีโชคดีที่เขาได้ปืนสั้นจากน้อยจึงหยุดมันลงได้ก่อนที่ตัวเองหรือคนอื่นๆจะแหลกเหลวไปแล้วอีกคราวหนึ่งพวกเราทั้งหมดถูกน้ำป่าซึ่งมาโดยไม่ทันรู้ตัวซับให้กระจายแยกย้ายกันไปปืนไรเฟิลพลัดมือไปอีกน้อยพลัดไปกระพินเพียงสองคนก็ได้อาศัยปืนสั้นที่ติดตัวอยู่หาอาหาร และป้องกันตัวเองจากสัตว์ ร, ร้ายระหว่างที่ยังไม่พบกับพวกเราส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ปืนสั้นกระบอกนั้นโอกาสที่จะรอดชีวิตก็คงยากคุณเองก็เหมือนกันถ้าไม่บังเอิญผมมีปืนสั้นติดตัวไปด้วยคุณก็คงไม่มีโอกาสได้อาวุธที่ไหนต่อสู้กับสังเขียวระหว่างการประจันบานเมื่อเย็นวานนี้เพราะฉะนั้น อ, อย่ามองข้ามมันไปชู่จะหนักเอรอเกะกัใส่ ย, ย่ามหลังไปด้วยก็ยังได้ มารยียิ้มจิตจืดตามองที่ชัยยันเป็นประกายใสยขอบคุณ้าที่กรุณาเตือนฉันจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณขัชันอัะพวกนั้นเตรียมอาหารไว้เสร็จแล้วก็ไปกินกันเถอะจะได้พักผ่อนพวกเราก็สบักสบอมมามากแล้วหัวหน้าคณะกล่าวชวนทุกคนขึ้นก่อนออกจากเพิงที่พักมารียืนเสื่อแจกเกตเฟียให้ชยันขึนรองเท้าให้ระพินและฝากกางเกงของบุญคา ที่หลอนอาศัยนุ่งมาให้พรานใหญ่ช่วยนำไปคืนให้แก่เจ้าของรอบกองไฟกองใหญ่กลางบริเวณทั้งหมดนั่งรายล้อมกินอาหารค่ำกันอย่างหิวโหยมาเรียคนเดียวนั่งซึมเขี่ยข้าวในฝ้าหม้อสนามอยู่ไปมาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากชา ย, ยันพอเขาเตือนมาหลอนก็ปักใส่ปักใส่ปากเข้าไปคำสองคำอิจใจเดียวก็ทะหลันลุกขึ้นวิ่งทลาอย่างโผเผออกนอกวง ประยันพังภาพกับโขดหินก้อนหนึ่งอาเยียนตัวงอชั ย, ยันร้องตะโกนออกมาคำหนึ่งพละจากอาหารของเขาทันทีวิ่งตรงไปจับตัวแมมสาวไว้ทุกคนจึงเพิ่งรู้สึกในความผิดปกตินั้นหันไปมองเชิดถาส่องไฟฉายตามไปและพูดต่ำๆกับน้องสาวน้อยอาการของเมย์จะไม่ดีใช่แล้วนะดารินวางมือจากอาหารลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปทันที ขณะนั้นช ย, ยันกำลังเอามือลูบหลังมาเรียอยู่และสั่งปาเจ้าคนใช้คนซื่อประจำตัวของพัญญานักสำรวจผู้วายชนก็เดินเรียบเรียบเคียงเคียงเข้ามาใกล้านายสาวอีกคนหนึ่งด้วยความเป็นห่วงราชสกุลสาวโอบไหลหล่อนไว้หันไปพยักหน้ากับช ย, ยันพูดเบาๆกลับไปกินข้าวเถอะช ย, ยันฉันกจัดการกับเมเองโธแม่คุณเธออย่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาตอนนี้เลย ยุ่งกันตายโหงช้ ย, ยันพึมพำออกมาเป็นภาษาไทยครูหัวชา้าช้ามองดูแม่มสาวอย่างสมเพชแล้วพระเดินเข้าไปที่วงอาหารตามเดิมเมดารินเรียกเบาๆมาเรีย น, นาขาวซีดเหมือนเม็ดเล็กๆผุดซึมที่หน้าผากพยายามจะยิ้มด้วยพูดมาอย่างยากเย็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงน้อยจัไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ตัวเธอร้อนจัด น่าซีดเหลือเกินบอกฉันตามตรงดีกว่ารู้สึกเป็นไงบ้างปวดหัวนิดหน่อยเท่านั้นแล้วทําไมถึงปิดชะล่าตัวเธอสั่นเทิมทีเดียวมาฉันจะพาเธอไปนอนดารินประคองหล่อนเดินนําไปยังที่พักนอนแเดมาเรียสันสีสากกระซิบพาฉันไปนอนที่เพิงนอนของฉันเถอะน้อยหรือต้องนอนรวมกับพวกเรานะโปรดะ พาฉันไปที่นั่นก่อนฉันต้องการอะไรบางอย่างดาริงจ้องหน้าด้วยความสงสัยเธอต้องการอะไรมาเรียยังคงตัวงออยู่เช่นนั้นมือทั้งสองกดไว้ที่หน้าท้องอาการของหลอนดูเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรอย่างหนึง่งความเจ็บปวดอันทรมานยิ่งจากระบบประสาทหรือมิฉนั้นก็กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึง่งเธอเป็นอะไรเม ั ญ, ญิงสาวร้องถามซ้ำมาโดยเร็วอย่างตกใจลักษณะของอามาเรียเหมือนจะเป็นลมหมดสติลงในบัดนั้นทุกคนที่นั่งมองอยู่ที่กองไฟเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินประคองแม่มสาวเข้าไปยังเพิงที่พักนอนเดิมของหล่อนซึ่งมีก้อนหินกำบังรับตาใจใหญ่หล่อนก็เดินออกมาหรือค้นอะไรที่หีบเวชภั์และตะโกนเรียกแง่า ย, ายเข้ามาสั่งความสองสามคำ ต่างหินเงาทายเอาน้ำร้อนที่ต้มเดือดอยู่ในกาในการิมใส่กระติกสนามปิดฝาแน่เอาผ้าเช็ดตัวของดารินผืนหนึ่งพันกระติกไว้แล้วนำไปส่งให้หญิงสาวรับไว้พลางเดินเข้าไปยังพึงของมาเรียโดยเร็วชา ย, ยันตะโกนถามก็ไปคำหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเอ๊เป็นอะไรชา ย, ยันพืมนพาหันไปมองหน้าเชิากับประพินหมอดารินออกมาเอายา เอากระติกใส่น้าร้อนมีผ้าผันแล้วก็เดินพวดพลาดเข้าไปโดยไม่พูดจาแล้วทําไมถึงเอาคนไข้ไปนอนในเพลิงร้างนั้นไม่ยักให้นอนที่นี่จะไม่เข้าไปดูหล่อนกันหน่อยเหรอเชษฐาหันไปยังเพิงพักของมาเรียแล้วสันสีสั่บอกเรียบเรียบแต่น้ําเสียงแฝงกังวลว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเมย์อยู่ในความดูแลของบุคคลที่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวน้อยกลับออกมาก็คงรู้เองละว่าเป็นอะไร ถนักหนาอะไรน้อยก็เรียกเราเองละ่ะชยันมองไปทางระพินเหมือนจะถามแต่ก็ไม่เห็นเขาเอ่ยอะไรออกมานอกจากแววตาคลึ่มระคุนฉงนและทั้งสามก็กินกันต่อไปเงียบๆจนอิ่มพอดื่มกาแฟก็เห็นหมอดารินเดินกลับออกมาด้วยอาการปกติไม่พูดอะไรทั้งสิ้นซึดตัวลงกินต่อหน้าต่อตาเฉยโดยไม่สนใจกับสายตาของชยันเชษฐาและระพิน ที่พากันจ้องมาเป็นตาเดียวว่าไงหมอคนไข้เป็นอะไรเพื่อนชายร้องถามมาอย่างอดรนทนไม่ได้ดีขึ้นแลเมเป็นอะไรดารินขมวดคิว้วทำหน้ายุ่งขรึมลงเหมือนจะไม่ต้องการตอบคำถามนั้นแต่ช้ยันก็ไม่วายซักมาอีกจึงตอบไม่เต็มปากนะักว่าความไม่สบายของผู้หญิงตัวทั่วไปนั่นแหละแต่รายนี้น่าหนักหน่อย แล้วก็ยังเป็นโรคประจำตัวทีเดียวมินํำซ้ำยังมีโคอินซิเดน์ประจวบเหมาะกับอาการข่ายเข้าด้วยนี่ทธออย่าสนใจถามซอกแซกไปหน่อยเลยเจ้าตัวเขายิ่งไม่อยากให้รู้อยู่ด้วยไม่มีอะไรน่าวิตกหรอกนอนพักให้ในด้านความอบอุน่นพรุ่งนี้ก็หายเป็นปกติเรียบร้อยนะ่ะชายันกระพริบตาปริกปริบงงไม่รู้เรื่องเชษฐาริรธินก็ไม่มีใครเข้าใจความหมายในคาพูดของหมอดาริน นี่หมอเสียงชายันกระซิบมาแผ่วตันจ้องหน้าดารินขมิงนี่หมออย่าบอกเป็นนั้นขาดนะว่าเมย์แพ้ท้องอ่ะบ้าดารินร้องออกมาพร้อมกับหัวเราะคอนชายันใครบอกว่าเขาแพ้ท้องเสี้วจริงเถินอ่ะก็เห็นอาจีนอยู่ตะ ก, กี้ไงอ๋คนอาจีนนะ่ะมันเกิดจากอาการแพ้ท้องสมัยเสมอไปงั้นเหรอคุณ ว่ฉันจะไปรู้ได้อย่างไงล่ะก็ไม่ใช่หมอนี่แต่สงสัยเท่านั้นเน่ะตัวเองเป็นหมอรู้ว่าเขาเป็นอะไรก็ทําไมไม่บอกกันบ้างอะ่ะเป็นห่วงแล้วก็กําลังฟังข่าวกันอยู่อะยุ่งจริงๆตาหนี่คนอื่นไม่เห็นก็ถามเลยก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใช้ทั้งหลายจำเป็นจะต้องรู้แต่อบอยถามอยู่ได้เอาแล้วจะบอกให้ก็ได้ดิสเมนนเรียไงชายันทำหน้าซื่อเกาหัวแกรก แล้วมันเป็นยังไงอะ่ะเหมือนไข้มาเรียไหมเงียบนี่แน่ดารินชูมืองหงิกหงิให้ร้องเอ็ดลั่นออกมาเห็นไหมละ่ะอยากรู้เพราะบอกให้แล้วก็ยังไม่มีปัญญาจะรู้เรื่องอยู่ดีอะไรหยุดจอกแทรกสอดรู้สักทีไม่ดีกว่าเหรอรับรองว่าเมยไม่หนักหนาเป็นอะไรไปหรอกถ้าอยากจะรู้ให้ได้จริงๆก็นนนโผล่ก็ไปถามเขาเองไปเสร็จกัน เมเป็นโรคลึกลับที่พวกเราจะรู้เสีมีได้หมอดารินห้ามไม่เรารู้แปลกเนาะ<ม>ชายันครางออกมามองดูเชิถ้าแล้วโค้งหัวจุกปากอ่<ม>อนใจซะจริงดารินว่าพร้อมกระถอนใจยาวนี่อยากรู้นักแหละว่าเขาเป็นอะไรก็ทำไมจะต้องปิดกันด้วยเล่าเห็นอาการหน้าวิตกอย่างนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้สิ แล้วฉันก็เป็นทาหารนะไม่ได้เป็นหมอเล่นเอาคำเทคนิคของหมอมาใช้แบบนี้ใครจะมาฟังรู้เรื่องเมนของเขามาพอดีประจำเดือนอะ่ะรู้จักไหมแล้วเขาก็มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเป็นประจำอยู่เสมอในทุกครั้งที่เมนมาอาการปวดอย่างหนักชนิดนี้นะ่ะคือดิสเมนเนียประจวบเหมาะอาการไข้ซ้ำเข้าไปอีกชาวบ้านเขาเรียกไข้ทับฤดูอีทีนี้เข้าใจได้แจนแจ้งแล้วหรือยังจะพอคนสอดรู้ ดารินพูดเร็วหรือสะบัดสบักชยันสะดุ้งโยงลืมตาโตอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรต่อมาอีกแต่แล้วก็อ้าค้างอยู่เช่นนั้นไม่มีเสียงใดๆผ่านลำคอออกมาหันไปมองดูทางเพิงพักของมาเรียที่เห็นเป็นหมูโคดหินตะคุ่มอยู่หันกลับมามองหน้าหมอดารินแล้วในที่สุดก็เหลี้ยวไปสบตาเชษฐถากับระพินผู้บัตนีทั้งสอง มีสีหน้าพิพักพี่พูวนปัญญ้นยาชัยยันบ่นอะไรพึมพำอยู่ในลำคอซึ่งไม่มีใครฟังรู้เรื่องครงหัวไปมาท่านใหญ่ทำเป็นเอาหูทวนลมเหมือนจะไม่ได้ยินมหมอดารินพูดอะไรส่วนเชิดาก็วางหน้าขรึมเป็นปกติถามมาต่ำาๆอย่างผู้ใหญ่ว่ามีอะไรครุกกลักหรือเปล่าน้อยไม่หรอกค่ะพี่หมายถึงว่าแพด อ๋อก็มีมาพร้อมค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องขาดหรื อ, อยังไงนะ่ะน้อยก็พอจะหาให้ได้แล้วอาการนะ่ะถ้าขาดยาก็น่าคิดอยู่เหมือนกันดิสเมนเเรียนี่อาจทำให้ปวดจนถึงดิ้นพรากหรือบางรายเป็นลมหมดสติก็มีเหมือนกันแต่น้อยจัดการให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ค่อยอยังชั่วมีหน้าละ่ะเห็นเอาน้ำร้อนใส่กระติกเข้าไปใช้ยันครางเบาๆทาหน้าประดักประเดิดอึดอัดใจ โชคดีเหลือเกินที่มีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็เป็นหมอซะด้วยนี่ทํามีกันตามลําพังผู้ชายพวกเรานี่มีโอนละหม่านกันแย่แล้วแล้วก็ดีนะที่กลับมาถึงแคมป์แล้วถึงเกิดอาการขึ้นโอ้แต่เป็นขึ้นเมื่อคืนที่แล้วเช็ดถากระบุญคําละตาเหลือกทอํายังไงได้ก็น่าเห็นใจอ่ะมันเป็นเรื่องจําเป็นของธรรมชาติถ้าบังเอิญเมย์เกิดอาการขึ้นเมื่อคืนฉันกระบุญคําก็ต้องช่วยไปตามเรื่อง หล่อนก็เป็นชีวิตหนึ่งในคณะของเราเช่ด้วยชีวิตที่น่าสมเพชนี่แหละหนะ้าผู้หญิงธรรมชาติเขาจัดสรรหน้าที่และขอบเขตไว้ให้แล้วต่อให้เก่งกล้าสามารถปานอกสามสอบเช่นไรก็หนีความเป็นผู้หญิงไปไม่พ้นหรอกไม่น่าจะมาใช้ชีวิตกลากรรมสมบุกสมบันอย่างผู้ชายแบบนี้นี่ถึงยังไงก็หนีความจุกจิกยุ่งยากไม่ได้หรอกอดีตนายทหารปืนใหญ่ปรงสังเวช เดี๋ยฉันก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันอ่ะแต่อยากจะถามหน่อยตั้งแต่มาด้วยกันนี่นะฉันเคยความเป็นผู้หญิงก่อความจุกจิกยุ่งยากให้กับท่านสุภาพบุรุษคนไหนบ้างไม่ทราบเคยไหมเจ้าคะดารินถามเบาๆชายันยักไหล่ยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบข้อนี้ก็ยอมรับอ่ะบางทีเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่พิเศษไปกว่าผู้หญิงทั้งหลายก็ได้จริงๆนะนี่ไม่ได้ประชดนะพูดจากใจจริงร่วมทางมาด้วยกันนี่ มันทำให้ฉันลืมสนิทไปแล้วล่ะว่าคณะของเรานะี่ยมีผู้หญิงมาด้วยคนหนึ่งฉันนะ่ะนึกว่าหมอดารินเป็นผู้ชายซะอีกว่าแต่เมเธอเจ้าหล่อนจะมีอาการแบบนี้ทุกบ่อยหรือเปล่าก็าไม่รู้เนาะเออมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของเราต่อไปข้างหน้าเกิดกำลังเดินเดินกันอยู่แม่จะบอกคุณร้องปวดท้องชักดิ้นชักงอขึ้นมาก็เสร็จหยุดชะงักไม่ต้องไปกันมันก็ไม่ทุกบ่อยเกินกว่าวงจรในรอบแต่ละเดือนหรอก เดือนนึงก็เกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นแหละก็คงไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคอะไรอย่างที่เธอว่านักคอยรู้ไว้เถอะว่าพวกเรามีจุดอ่อนกันอยู่สามคนพี่ใหญ่นะ่ะเส้นขาไม่สู้จะดีนักมักจะมีอาการโน้มเอียงในด้านเคล็ดหรือแพลงอยู่เสมอถ้าไปสะดุดหรือกระแทกอะไรแรงๆเข้าซ้ําขาข้างนั้นพรานใหญ่ก็เป็นมาลาเรียเรื้อรังวันดีคืนดีก็สัน่นเป็นเจ้าข้าว ทำอะไรไม่ได้ไปชั่วขณะสักทีหนึ่งส่วนเมนก็ดิสเมนเเรียซึ่งพอจะรู้กำหนดแน่นอนภายในรอบเดือนสำคัญว่าทั้งสามท่านนี้อย่านัดกันมาเป็นเวลาเดียวกันและในยามฉุกเฉินก็แล้วกันหมอดารินคนเดียวรับไม่ไหวแน่เออฉันเพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองนะจริงๆนะพวกเรามีใครคิดอย่างฉันบ้างไหมชายันกล่าวขึ้นเปรย์ มองหน้าคณะพักทุกคนพร้อมกับยิ้มตื่นตื่นคิดอะไรเชิาถามคนที่จับว่ากระดูกเหล็กที่สุดในคณะของเรานับตั้งแต่ออกเดินทางมาจนกระทั่งบัดนี้คือใครลองคิดดูสิคนคนนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยได้รับอันตรายกับใครเลยสักครั้งเดียวไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงสักขนาดไหนบาบุญคำกัมั โอ้ผิดถ น, นัดมองข้ามไปซะแล้วชัยันใส่หัวแล้วบุ้ยปากไปที่ดารินนี่คนคนนั้นที่ฉันว่าก็คือคนคนนี้หมอดารินยังไงใครจะเลือดตกยางออกแทบล้มประดาตายยังไงหมอดารินไม่เคยเป็นอะไรสักทีปลอดภัยสบายตัวทุกครั้งเป็นคนที่เจ็บน้อยที่สุดทั้งทั้งที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ขับขันบ่อยครั้งที่สุด บุญคำที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ่ะก็เพราะแกไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ได้ร้ายบ่อยนักแม้กระทั่งเงาสายก็ยังหลั่งเลือดมาแล้วเชถากบพรานใหญ่เพื่อจะมันนึกได้ตามคำพูดของชัยยันมันเป็นความจริงอย่างน่าพิศวงอยู่ครามครัน้นถูกแล้วในคณะทั้งหมดดารินวราฤทธิ์เป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดสำหรับของภัยทั้งหลายที่ต่างเผชิญร่วมกันมานับครั้งไม่ถ้วน แท่จะเรียกได้ว่าหล่อนไม่เคยบาดเจ็บเป็นอะไรกับใครเลยที่ไหนได้ฉันก็เคยขาแพลงไปหลายวันเหมือนกันตอนที่ ป, ะ, ปะทะกับโขลงไอ้แหวงลืมชัแล้วเหรอเจ้าตัวแย้งอย่างไม่ยอมเห็นด้วยนั่นต้องนับว่าเล็กน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณชายันพูดถูกแล้วครับระพินพูดขึ้นเป็นประโยคแรกถ้าเช่นนั้นก็ช่วยกันภาวนา ให้ฉันแคล้วคลาดอย่างนี้ตลอดไปเถอะเพราะฉันเป็นคนที่จะต้องคอยช่วยในด้านความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนอื่นๆก่อยฉันปลอดภัยไว้ดีกว่าแล้วหล่อนก็หัวเราะด้วยเสียงแผ่วเจน็นลุกขึ้นยืนปิดปากหาวอย่างอ่อนเพลียอิดโรยกล่าวต่อมาว่าฉันยังสงสัยอยู่เหมือนกันถ้าบังเอิญฉันเป็นอะไรลงไปใครจะช่วยแก้ไขให้ฉันได้เหมือนอย่างที่ฉันแก้ไขคนอื่นๆมาแล้ว พี่ชายกับเพื่อนฟังในลักษณะคำเปรยนเล่นๆธรรมดาและผ่านพ้นความสนใจแต่ใครอีกคนหนึ่งฟังแล้วต้องคิดอย่างวาวุ่นใครคนนั้นก็คือรบพินไพรวันนั่นเอง